ยะท้าวริวาหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปากัปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะท้ามณิโชติระสวยยะท้า โยวิวาชันโตสะพารโควินาสตุมมาเตภาวทวันตายรโยสุกีโยโกพาวะพิวันธนาศิเลสาณิ จางวุฒาปาจายินเอาจัตรารธรมมวัตทานตีอายุวันโนสุขังพาละกะตุเวปสันานาังอากางธรร ม, มวิชาณตัง อาเกมบูเถปัสสนานางนาคีเนยอนุตะเรมอาเกะธรมเมปัสสนานางวิรากูปัสเมสุเคอาเกสร้างเกะปัสสนานางปุญญาเกเตอนุตระเร อากาสมิงรานางดาดาต่างอากังปุญญงปวัตตีอากังอายโยเจ้าวันโนจา ย, ยาสโกเเสกิตติสุขังบลาลังอากาสดาตาเมทาวีอากาธรรมมาธรรมายโต เดวะผูโตมนุษยวากปปตัวปโมติติภาวะตูซาผังกาลังราคันตูซาผดิวตาสัมบามุทานุภาเวนัสดาโสติผวันตุเตภาวะตูซาผังกาลังราคันตูซาผดิวตา สาบัธาารรมานุภาเวนสสัสดาโสติผวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาผดีวตาตาบับาสังคานุภาเวนะสดาโสติาวันตุเต